สะสมสเสบียงถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายแล้วคุณใช้ทุกคืนให้เป็นประโยชน์อย่างไม่ทิ้งคว้างคุณจะทราบว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มจูนเจีนสิ้นเลือดสิ้นเนื้ออยู่นั่นเองไม่มีอะไรในโลกเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ดีกว่ากำลังสติผู้มีสติก้าวลงสู่ความตายคือผู้สบายใจว่าตนมีที่พึ่งให้ตัวเองแน่ ชายผู้หนึ่งนามว่านินากะวะกำลังจะสิ้นลมครั้งนั้นอาจารย์เซ็นชื่ออิกิวได้แวะมาเยี่ยมแล้วกล่าวถามอย่างตรงไปตรงมาแข่งกับเวลาว่าอ น, นุญาตให้ผมนำทางท่านจะได้ไหมนินากะวะได้ยินเช่นนั้นก็ตอบโดยปราศจากความหวังอันใดผมมาสู่โลกนี้ตามลำพังและกำลังจะจากไปตามลำพัง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 ด้วยคำพูดอันฉลาดแหลมและมีพลังเปิดเผยสัจธรรมของท่านอิคิวผนวกเข้ากับจิตในวาระสุดท้ายของนินากะวะที่วางเฉยเพอจะรับรู้ตามจริงทําให้เกิดสภาวะจิตเป็นอิสระจากความสำคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นตัวตนเห็นกายใจเป็นของอื่นเป็นของบทบางความจริงท่านนินากะวะจึงเข้าถึงความจริงอันปราศจากสิ่งบทบางคือมหาสุญญาตา ที่อยู่นอกขอบเขตของการเวลาไม่ได้เคยมาพร้อมกับกายใจและไม่ได้จะจากไปพร้อมกับกายใจด้วยความแจ่มแจ้งนาทีนั้นท่านนินางกะวะจึงยิ้มอย่างงดงามแล้วตายอย่างสงบเยี่ยงพูดถึงสตริคนหนึ่งจากหนังสือคิดจากความว่างสาอันที่จริงเมื่อกล่าวถึงสิทธิ์ในการบรรลุธรรมนั้น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 1. เราไม่จำเป็นต้องทุกข์ทางใจก็ได้เคยเห็นไหมคนที่เผชิญสถานการณ์แย่ๆเหมือนเราแต่กลับเป็นทุกข์น้อยกว่าเราหรือดูไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเอาเลยนั่นคือตัวอย่างหลักฐานที่ชัดเจนว่าความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับใจที่พร้อมจะทุกข์มากหรือพร้อมจะทุกข์น้อยหรือพร้อมจะไม่เป็นทุกข์เลย ทุกทางใจคืออะไรคือความหมกมุ่นครุ่นคิดเคร่งเครียดน่ารำคาญตนเองคือความฟุ้งซ่านซัดสายคือความหดหู่เศร้าหมองคือความกระวนกระวายอยากได้อยากมีคือความขัดเคืองอันเกิดจากความกระทบกระทั่งทางใจเหล่าพระอระหันต์รู้วิธีถอนรากแห่งทุกขทางใจแล้วตื่นจากฝันว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนแล้ว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 ก็จะถูกสบันขาดแบบหมดทางต่อดุดตารยอดด้วนฉะนั้นหากไม่พบพระพุทธศาสนาไม่เข้าใจว่าเรากำลังหลงสำคัญผิดนึกว่ามีเราเกิดมีเราตายก็ย่อมมีตัวตนขึ้นมาเสวยผลแห่งความเข้าใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอตัวหนึ่งดับไปก็มีตัวหนึ่งขึ้นมารับช่วงแทนทั้งที่ไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ก็ต้องมารับผลของการกระทาแทนกัน หรืออีกทางหนึ่งแม้พบพุทธศาสนาแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องความหลงสาคัญผิดแล้วแต่ยังสมัครใจที่จะเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกรักษาความสาคัญผิดต่อไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นสิทธิของแต่ละคนเป็นเรื่องความไม่รู้จักโทษของการเกิดแต่ละครั้งว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทำเหตุอันนำความเดือดร้อนมาสู่ตนได้มากมายมหาศาลเพียงใดหากทราบหากเข้าใจดี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 จะทำให้เราได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจหาใช่ตัวตนตัวตนหนึ่งของเราทว่าเป็นกิเลส ท, ที่ติดตามตัวเราไปแผลงฤทธิ์ได้เรื่อยๆตังหากถ้ายังไม่เห็นข้อสีของการเกิดเห็นแต่ข้อดีของการเป็นอย่างนี้ติดใจในการเสพซึ่งกรรมคุณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายบุคคลย่มหลงระเริงอยู่ในความสุข ไม่คิดจะออกจากโลกแห่งกามอันน่าติดใจยินดีรวมทั้งอยากเชื่อในการมีพบอื่นที่เสวยสุขเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ยากนักที่จะปรารถนาความสิ้นสุดต่อเมื่อใช้ชีวิตแล้วประสบความผิดหวังเศร้าโศกบ้างประสบโรคร้ายรื้อรังบ้างประสบความน่าร่าเาแห่งชราภาพบ้างหรือสมหวังสุขสําราญแล้วโปรวนแปรเป็นอื่นบ้าง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 เมื่อเข้าใจความไร้แก่นสารข้อนี้บุคคลย่อมเลือกที่จะดับไปสู่ความไม่เกิดและไม่ดับอีกจากหนังสือคิดจากความว่างสาคนทั่วไปมองความตายเป็นเรื่องพิเศษสมควรที่โลกจะต้องรับรู้การจากลาช่วงนิรันดร์ของเขาหากทราบว่าอาจต้องตายแบบไม่เป็นที่รับรู้จึงเกิดความสงสารตัวเองเป็นพิเศษ ประมาณว่าโถชีวิตบัตรศพดูสิตอนอยู่ก็ไม่มีความสำคัญแม้ตอนตายก็ไม่มีใครแลเห็นเหตุใดจึงน่าอนาถขนาดนี้จินตนาการไปไกลถึงขั้นเห็นศพตัวเองนอนอวดซากอย่างโงคลึ่มอาจเป็นภูเขานอนหรืออาจเป็นแหล่งผลิตกลิ่นหน้าคลื่นเหียนหาลงห่อหุ้มกันอุจารมิได้แต่สำหรับคนไม่กลัวความโดดเดี่ยว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 ทุกความเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องน่าพรั่นพรึงตราบเท่าที่งานอันเป็นที่รักพาไปคนเหล่านี้อาจไม่มีกระทั่งจินตนาการในหัวว่าจะตายดีหรือตายทุเรศในสายตาคนอื่นเพราะเห็นว่าเนื้อหาของความตายก็คือความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสมอกันส่วนคนอยู่ข้างหลังจะเห็นแล้ววิพากวิจารต่างๆนาน า, นาสนุก ป, ปากแค่ไหนก็ช่างปะไรใช้ชีวิตต่างกัน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 เจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้หากสร้างตัวตนอันเฉยชาควรคู่กับความเหงาหงอยความเหงาหงอยก็เรียกหาเสมอแต่หากสร้างตัวตนอันกระตือรือร้นควรค่ากับความรื่นเริงความรื่นเริงก็จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดไปเวลาคุณตายคนแรกที่เห็นไม่ใช่เพื่อนของคุณ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 โดยขั้นแรกสุดคือทำให้คุณตายอย่างเศร้าหมองหรือเบอิกบานแม้คุณเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องจําเป็นต้องรู้ไม่ใช่เรื่องจําเป็นต้องเชื่อว่าตายแล้วไปไหนแต่คุณคงอยากเป็นสุขก่อนตายไหนไหนต้องเกิดแบบร้องไห้แล้วจะตายทั้งที่ยิ้มแย้มเสียหน่อยจะเป็นไรกับคนเชื่อเรื่องคติข้างหน้ายิ่งแล้วใหญ่ความสุขก่อนตายเป็นเรื่องสาคัญยิ่งยวดเพราะใจที่เป็นสุข เป็นใบรับประกันใบเดียวที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าจับต้องได้ความสุขใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตัวเดินทาง First Class หรืออย่างน้อยก็ชั้นบ i ส e s s ของสายการบินระดับโลกขณะที่ความทุกข์ใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตัวขัดขาดที่ซื้อแบบลวกๆรีบๆเพื่อขึ้นขบวนรถไฟสกกระปกเห็นเห็นอยู่ว่าแอร์อัดเยียยิ Nixon ่งกว่ารถที่ขนหมูไปเชื้อตอนยังอยู่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 แต่หากเผื่อใจอยากให้กรรมสว่างนำทางทานายได้ว่าคุณต้องสวนกระแสะโลกมาไม่น้อยเรียกว่าพยายามกัดฟันทํากรรมข่าวไม่ได้ขาดซึ่งก็ดีแล้วคุณจะเป็นผู้ให้คําตอบแก่นตนเองในขณะเข้าได้เข้าเข็มว่ากรรมข่าวเท่านั้นกระทําจิตให้สว่างเบิกบานอบอุ่นและเชื่อมั่นไม่ใช่กรรมดําเลยที่ทําให้เป็นสุขก่อนตาย ยังเดียวกับคนที่เห็นตัวเฟิร์สคลาสในมือยอมรู้สึกชัดเจนอยู่เองว่าเดี๋ยวได้นั่งสบายได้ถ่ายสะดวกได้พวกร่วมเดินทางหน้าตาดีได้มีปลายทางที่เจริญแล้วเพราะเที่ยวบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาสคงไม่พาไปลงสนามบินกลางสงครามของบ้านป่านาเทือนอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณกำลังมีคู่ควรแล้วกับสิ่งที่คุณเคยทา สิ่งที่คุณกำลังทำสมควรแล้วกับสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญจากหนังสือคิดจากความว่างสองแต่ละวันในชีวิตคนเราล้วนแล้วแต่เป็นเวลาแห่งการหยอดกระปุกทางความรู้สึกทั้งสิ้นหยอดความน่าเบื่อด้วยพฤติกรรมงโง่ๆมากเข้าความรู้สึกเบื่อก็หนักอึ้งเกินทนและจะทำให้งองแงยเหมือนเด็ก ไม่ยอมโตไปตลอดชีวิตชีวิตของคนคนหนึ่งผูกอยู่กับความคิดทั้งหมดที่มีอยู่นั่นหมายความว่าถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวงการเกิดใหม่ก็เริ่มต้นแค่ฆ่าความเข้าใจผิดได้ตัวฉันก็ตายโดยกายไม่ต้องแตกดับฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้วไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปรไปเป็นอื่นอยู่แล้วทั้งสภาพร่างกาย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 จากหนังสือคิดจากความว่างสอง